ธนาบุญกับบุคลากรเจ้าหน้าที่องค์กรวิทยาศาสตร์สุขภาพโรงพยาบาลจุฬาพรแล้วก็ผู้ที่สนใจฟังธรรมะในวันนี้ก็รู้สึ ก, กดีถี่วมจะได้มีโอกาสมาทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรม มาเข้าร่วมโครงการคุณธรรมนำชีวิตเป็นปิธีคิดวิธีปฏิบัติแล้วก็กำลังใจก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็ น, น้อยพูดถึงเรื่องคุณธรรมนำชีวิตเนี่ยเรื่องของคุณธรรมเนี่ย เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าจำเป็นสำหรับทุกชีวิตจะต้องมีเอาไว้ถ้าใครก็ตามที่จิตใจเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมชีวิตจะพัฒนาก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็มีความสุขความทุกข์ก็จะห่างหายไปคุณธรรมนี่ก็มีเยอะแยะนะ มันมีหลายอย่างด้วยกันเป็นธรรมะฝ่ายที่เป็นกุศลทั้งนั้นแหละและดูในตัวเราก็มีในทุกๆคนแหละมีความอดทนมีความขยันมีการมีการให้อภัยเมตตามีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เยอะแยะเลยซื่อสัตย์จุจลิต ทุกคนเนี่ยเข้าข่ายที่มีคุณธรรมทั้งนั้นแหละแต่เราไม่ค่อยได้มองเห็นความสำคัญในสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราคุณธรรมในจิตใจเราจึงไม่ค่อยพัฒนาเพราะว่ามันมีสิ่งอื่นที่มันมีคุณค่าราคากว่าคุณธรรมอย่างไรก็ตามคุณธรรมเนี่ยต้องเริ่มต้นจากตัวเราเป็นคนแรก ต้องเริ่มที่ตัวเราที่จิตใจของเราแล้วก็จะค่อยๆขยายแผ่วงกว้างไปคนใกล้ตัวเราครอบครัวเราสังคมของเรากระทั่งประเทศชาติแล้วก็โลกของเราเนี่ยคุณคุณรรจะทําใจค่อยขยายไปมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนเช่นเราอย่าจะให้ใครพูดไพเราะกับเรา เราต้องพูดพะร้อยกับเขาด้วยเริ่มต้นที่เราก่อนอยากให้ใครมีน้ำใจกับเราเราก็ต้องมีน้ำใจกับเขาก่อนอยากให้ใครช่วยเหลือเราเราก็ต้องหมั่นที่ช่วยเหลือคนอื่นเขาอยากให้ใครเขาแบ่งปันเราเสียสละเพื่อเราให้เราเป็นผู้ให้เราบ้างเราต้องเริ่มต้นที่จะให้เขาก่อนให้เขาก่อน มางทีให้แค่หนึ่งเดียวได้มาสองก็มีเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราไม่ใช่ว่าชื่อว่าคุณธรรมไม่ใช่เราไม่ต้องทานะเพราะคุณเป็นคนทาทั้งหมดเราไม่ต้องทำเรื่องที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ที่ชมรมเพื่อนคุณธรรมเนี่ยประธานชมรมก็มาด้วย ผมสบายเลยผมไม่ต้องทำอะไรเลยว่าคุณทำหมดเขาก็บอกว่าเอา้าเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อนเขาตั้งหากที่เป็นคนทำชมลมเพื่อนคุณนะ่ะทำคุณไม่ต้องทำมันต้องเริ่มจากตัวเรานะคุณทำแต่เราต้องทำก่อนเขาจึงทำคุณให้กับเรา วันนี้เขาก็เลยให้ผมมาพูดเรื่องจัดบ้านให้เป็นวัดข้อค้อนี้ดีนะการจัดบ้านให้เป็นวัดมันเป็นประโยชน์สําหรับคนทุกคนนะหลายคนที่ไม่มีโอกาสจะได้ไปวัดไม่มีโอกาสจะได้ไปวัดก็สามารถที่จัดบ้านให้เป็นวัดได้ยกวัดมาอยู่ในบ้านหรือยกบ้านไว้ที่วัด รวมเป็นหนึ่งเดียวกันเลยบ้านกับวัดไม่แยกจากกันอย่างคนที่ป่วยไข้ไม่สบายไม่สามารถจะไปวัดได้จะทำไงที่จะจัดบ้านให้เป็นวัดได้ไม่ต้องบวชอย่างผมเนี่ยใหม่ๆเมื่อตอนที่เริ่มต้นปฏิบัติธรรมใหม่ๆก็จะทำยังไงดีเนาะการปฏิบัติธรรมนี่มันต้องบวชต้องแต่งตัวแบบพระ ต้องบินทาบาทต้องเทศต้องสวดเราขมดโอกาสแน่ที่จะปฏิบททัติธรรมเราไม่มีโอกาสที่จะไปไหนอยู่ที่บา้านไปไหนก็ไม่ได้นอนติดเตียงมือคนติดคุกติดคุกยังเดินไปมาไปไหนมาไหนได้ไอเราติดเตียงเนี่ยมันถูกตรีตวนอยู่บนเตียงถ้าเขาไปยกลงจากเตียงเราก็ไปไหนไม่ได้หนักก็ไปใหญ่เลย ก็คิดหลายอย่างว่าจะทำไงดีเนาะที quiero, qui ่เราจะปฏิบัติธรรมในสภาพที่มีร่างกายพิการก็คิดจัดบ้านให้เป็นวัดเพราะนั้นเหมาะสำหรับทุกคนคนไข้คนป่วยคนที่ไม่แข็งแรงคนแก่เท่า ไม่ตไปไหนก็จัดบ้านให้เป็นวัดได้เลยไม่ใช่ว่าการจัดบ้านไปวัดนี่จะต้องหาพระประธานองค์ใหญ่ๆมาตั้งไว้ในวัดในในบ้านเอาพระประธานอย่างวัดอยู่ที่วัดแมาตั้งไว้ที่บ้านหาโบสถ์มาตั้งมีเจดีย์จะได้เหมือนวัดบางทีมีมเมนเผาศพมีโกดังเก็บศพ สมัยก่อนมีโงรงลิเกด้วยนะวัดต้องมีโงรงลิเก้ี่เหมาะสมบางทีก็เปลี่ยนวัดเป็นวิกบ้างอนะไร <c oughs> ไม่ใช่อย่า ง, งานั้นเราจะนึกภาพว่าอ๋อจะต้องยกวัตถุต่างๆที่อยู่ในวัดมาไว้ที่บ้านเรานนึ่องสภาพที่วัดเนื่องสภาพวัดเนี่ยวัดนี่ในสมัยก่อนนี่นะมันจะเงียบสงบ ร่มเย็นร่มรื่ น, เ, นเวลาใครายข้อไปแล้วก็รู้สึกว่าสบายกายสบายใจเย็นอกเย็นใจน้อมจิตน้อมใจเกิดศรัทธาในทางธรรมะ เ, เกิดศรัทธาที่จะปฏิบัติธรรมะเกิดศรัทธาที่จะทําตามอย่างคุณธรรมตามหลักธรรมของพพุทธเจ้าต้องจัดในลักษณะแบบนั้น ทำงานที่จัดบ้านเราให้มันสงบร่มรื่นดูแลสบายตาสบายหูไม่มีเสียงดัง อ, อือทึ้คือโคลมอยู่แล้วมีความสุขบางทีเราจัดได้ดีกว่าวัด้วยนะที่ที่วัดยังจัดอย่างนี้ไม่ได้เลยวัดสมัยนี้มีสิ่งกอ่อสร้างเยอะไปวัดไหนก็มีเสียงสิ่งกอ่อสร้างเสียงรถยนต์เสีย ง, ยนยงคนดังๆคุยกัน โดยนี้เราก็ต้องจัดให้มันสงบเงียบที่บ้านเราสามารถทำได้นี่คือจัดสิ่งภายนอกก็จัดไปตามที่เราต้องการให้มันสงบเงียบทำยังไงก็ทำไปมีเคยคนเคยเล่าว่าเขาจัดบ้านให้เป็นวัดเนี่ยโดยที่จัดคนเดียวนะจัดทุกสิ่งอย่างให้ถูกใจนะอาสมมุติแม่บ้าน แม่บ้านจัดบ้านใด้ถูกใจจะมีศรัทธานในทางธรรมะมากจะทำไงนี้จัดบ้านใน้ถูกใจเราแต่ว่าไม่ได้ปรึกษาใครในครอบครวัวก็จัดอย่างดีย้ายนูน่นย้ายนี่ตามใจที่เราชอบพ่อ <p apa> บ้านกลับมาไม่สบายใจว่าอของที่เก็บเอาไว้มันหายไปไหน แม่บ้านจัดไปไหนก็ไม่รู้พ่อบ้านหาไม่เจ อ, อหงุดกิดไม่สบายใจแนละ้วเกิดปัญหาบางทีลูกบ้านกลับมาเคยเอาหมวกลูกเสือวางไว้ตรงนี้เอาเสื้อแขวนไว้ตรงนี้กระเป๋านักเรียนไว้ตรงนี้คุณแม่เปลี่ยนไปไหนก็ไม่รู้แล้วอาหมวกไว้บนทีวีเอาหมวกไว้หลังทีวีเอากระเป๋าให้ไว้ที่ในครัวโอ้ คุณแม่ก็ไม่ไม่พอใจโกรธถ้าการจัดบ้านให้ถูกใจเราเองเดียวเนี่ยบางทีมันก็เกิดปัญหาเหมือนกันเนี่ยมันต้องเข้าใจกันบางคนเนี่ยจัดบ้านให้ถูกใจยังไม่พอนะอยัง น, นัจัดคนให้ถูกใจโห ย, ยุ่งเท่าไจัดคนในบ้านให้ถูกใจเราเนี่ยโอ้โหเราเป็นคนที่ถือศีล กินเจกินมังสวิรัตนิถือศีลแปดนอนเป็นเวลากินเป็นเวลาไม่ดูทีวีเ อ, อเคร่งเกลียดพยาไม่คนในบ้านทําให้เหมือนกับเราถ้าใครทำไม่เหมือนกับเราเนี่โกรธบอกเนี่ยไม่รู้จักมีธรรมะโกรธเป็นคนที่ อ, อทําอะไรถูกใจคนอื่นเนี่ย บางทีมันต้องเรียนรู้กันนเลยต้องเรียนรู้ใจเขาใจเราจะจัดเขาให้ถูกใจเราทุกอย่างเนี่ยไม่ได้อย่าไปกากเกณฑ์เขาให้เราจัดตัวเราเองดีกว่าบางคนก็มีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านบางบ้านนะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านก็พยาบาปห้ามบอกอายุมากแล้ว อย่าทำอะไรเลยอยู่เฉยเดยอยวททำงานเดี๋ยวจะไม่สบายเดี๋ยวป่วยไข้ไปจะเดือดร้อนให้ผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านอยู่เฉยเยโดยไม่ต้องทำอะไรพอตัวเองไปทำงานแล้วท่านก็แอบทำงานนะกวาดถูเชตโต๊ะจัดข้าวของในบ้านให้เรียบร้อยหุงข้าวเาเรียบร้อยเลยกลับมา <laughs> ไม่พอใจบอกเนี่ยบอกให้อยู่เฉยๆไม่ชอมอยู่เฉยๆทำไมจึงดื้อนนะักโกรธอีกจัดคนอื่นที่ถูกใจโกรธอีกโต้คนอายุมากเนาะอายุมากแล้วถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันเหงานะเคยไหมอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำไรเลยเหงาแล้วก็ดูไม่มีคุณค่า เหมือนชีวิตไม่มีคุณค่าเงียบเหงานั่งเรียบเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่ตุ๊กตาหิน <c oughs> ท่านก็ต้องมีอิเลียโบที่ล่อนคลายมีงานอิเลเลกเป็นครื่องอยู่มันเป็นความสุขของท่านเล็กน้อยๆอย่าไปห้ามท่านเลยเนี่ยบางทีซื้อเสื้อผ้าใหม่ๆสวยๆมาให้โอ้ท่านมันรุ่นเก่าแล้วเราซื้อรุ่นใหม่ไปท่านจะแสได้อย่างไร และของเก่าก็มีมากมายบางค้าไปท่านใสยท่านไม่ใสก็กระโดดมนนีซื้อผลไม้เอามาให้ท่านได้ทานทีนั่นก็นึกถึงพระก่อนของดีๆเนี่ยเขาจะเก็บไว้เตรียมใส่บาตรตอนเช้าเอาไว้ไปทำบุญที่วัดนั่นก็มีความสุขมากกว่าลูกอะไรไม่พอใจใหไหมซื้อให้กินแล้วไม่กิน ซื้อนมอย่างดีอาหารเสริมของดีๆไม่ได้บางทีท่างก็ไม่ชอบถ้าไม่ชอบว่าถ้าไม่ทานก็โกรธ <c oughs> จัดแต่ข้างนอกจัดแต่คนอื่นไม่เคยจัดใจเราเลยจะจัดข้างนอกถูกใจเราเนี่ยมันเปนสิที่ยากมากใหได้ยางใจเรา นอกจากเราจะเครียดท่านก็มีความทุกข์ด้วยกันในบ้านเลยไม่มีความสุขเลยเพราะมุ่งแต่จัดข้างนอกแต่ไม่ยอมจัดจิตใจเราบ้าง <c oughs> เนี่ยมันเลยลําบากตรงเนี้ยเพราะนั้นถ้าเราจะจัดบ้านให้เป็นวัดจะจัดยังไงก็จัดไปเถอะนั่นคือสิ่งภายนอกแล้วแต่เราแต่อย่าลืมจัดใจเราเนี่ยให้เป็นพระด้วย <laughs> จัดบ้านให้เป็นวัดเราต้องจัดใจเราให้เป็นพระวัดต้องมีพระอาศัยอยู่ <laughs> พระต้องอาศัยอยู่ที่วัดเป็นสิ่งที่ประกอบกันจัดใจให้เป็นพระนี่ไม่ใช่ว่าต้องแต่งตัวแบบพระหรือต้องเทศตอนแบบพระ เจอใครก็เทศใหรตอนทุกอย่างอบายามุกไม่ดีสุลาไม่ดีความโลภไม่ดีความหลงไม่ดีความโกรธไม่ดีคนสอนนะแต่บางทีมีใครพูดปิดหูหน่อยก็โกรธก็โกรธก็ไม่พอใจเข้าโอ้นี่รู้ธรรมะทั้งหมด รู้ดีทั้งหมดแต่อดไม่ได้เวลามีเกิดเกิดลรมาเนี่ยมันอดไม่ได้เพราะใจไม่ได้เป็นพระก็โกรธจิตหลงไปตามอารมณ์โกรธที่มากรถใจยังเป็นพระไม่ได้เพราะพระอยู่ที่ใจคาว่าพระนี่หมายถึงอะไรบางคนบอกพระก็มีคำสองคำบวกกันคือพอกับละ พอกับละก็เป็นพระได้ทั้งนั้นจริงความหมายดีนะเนี่ยพระคือผู้ที่พอสันโดษแล้วก็ละวางความชั่วทั้งหลายเออพอกับละรวมกันเป็นพระก็น่าจะสําเร็จได้อันนั้นเป็นมันเป็นเน่ยเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งก็ถูกก็ดีนะเป็นความหมายที่ดีมาก แต่ว่าพระที่จริงนันก็หมายถึงผู้ประเสริฐผู้ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐในร่างกายประเสริฐที่จิตใจพระคือผู้ประเสริฐผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อธรรมวินยัยปฏิบัติตามหลักธรรมที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาและสิ่งหเหล่านี้ไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่อยู่ในใบลานอยู่ในจิตใจเราทั้งนั้นถ้าเราจิตใจเราประเสริฐ ละความชั่วทำความดีมีศีลมีสมาธิมีปัญญาเราก็เป็นพระได้พระบวชที่ใจดีกว่าพระบวชที่ร่างกายนุ่มเหลืองโกนจีสะนั่นคือพระภายนอกพระภายในคือที่จิตใจคือมีศีลมีสมาธิมีปัญญามีจิตใจที่ดีเริเป็นพระได้ นั้นทุกท่านเนี่ยสามารถจะเป็นพระได้ไม่ว่าอยู่เนี่ยก็ตามเราสามารถทำใจใเป็นพระได้อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาภรนี่ก็ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่ไหนเราก็พาใจเดีที่นั่นใจที่เป็นพระอยู่ได้ทุกที่แม้ที่นั้นเป็นที่อาจจะเป็นที่ที่ไม่น่าลื่นลมแต่ใจก็ลื่นลมอยู่เสมอเสมอแต่ว่าเราอยากแก้นาวิธีการปฏิบัติที่เราสามารถ เป็นพระด้ทุกที่ก็ที่ว่าการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่มันเริ่มต้นที่จิตใจปฏิบัติธรรมเนี่ยเริ่มที่จิตใจพอลายคนบอกว่าปฏิบัติธรรมนี่มันทำยังไงเนาต้องไปอยู่ที่วัดต้องไปเข้าคอร์สไม่ถ้าเราไม่มีโอกาสไม่ต้องไปอย่างนั้นก็ได้เราสามารถปฏิบัติได้ทุกที่ที่โรงพยาบาลก็ปฏิบัติได้ที่วัดก็ปฏิบัติได้ที่บ้านก็ได้ ที่ไหนก็ได้ถ้าเรามีสตินี่สติเนี่ยเป็นเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมเลยสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกได้นั่นคือความหมายของสติในภาษ า, ทาไทยเรียกว่าความรู้ตัวความรู้ตัวสติบวกสมัชัญญะ เป็นความรู้ตัวรู้ตัวตอนนี้มีใครไม่รู้ตัวบ้างรู้ไหมว่าตัวอยู่ไหนถ้าใครไม่รู้ตัวก็ใจลอยลืมเนื้อลืมตัวใช่ความรู้ตัวเป็นอย่างไรบางคนสงสัยถามล้วก็ถามย้อนว่าไลความหลงลืมตัวเป็นอย่างไรเนสองด้านถ้หลงลืมตัวก็ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรเรานั่งอยู่ที่นี่ เรารู้ไหมว่าเรานั่งอยู่ที่นี่ทะลุใช้ได้แล้วรู้ตัวแล้วปกติแล้วจิตใจไม่เลื่อนลอยแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วรู้ตัวเรารู้ไหมว่าเรารู้สึกง่วงเนี่ยโอ้เนี่ ย, ยรู้ตัวแล้วใช้ได้ง่วงมันห้ามไม่ได้แต่รู้ว่าง่วงเนี่ยเนี่ยดีกว่าคะแนนดีกว่าบางคนรู้สึกเบือ่อ ไม่สนุกเลยมันเซ็งถ้ารู้ว่า เ, ออเบื่อก็รู้ว่าเบื่อนี่ใช้ได้ล่ะรู้อารมณ์ตัวเองรู้จิตรู้ใจตัวเองมันคนงงไม่รู้ว่าจะอะไรดีมันสับสนมาในใจตอนนี้มันสับสนมาแล้งานก็จะเลิกแล้วก็เนี่ยพวกนี้ก็จะต้องไปหยุดหลายวันสับสนงงถ้าสับสนรู้ว่าสับสนนี่ใช้ได้นะ งงรู้ว่างงนี่จะได้แต่ว่ารู้ตัวละรู้ตัวว่าเนี่ยมันกําลังงงเน่จะได้อะไรมาเ น, นี่ยคือการปฏิบัติธรรมในชีวิตประจําวันรู้ตัวคือรู้ว่ากายกําลังทําอะไรกายนั่งก็รู้ว่านัง่งเนี่ยจะได้กายยืนก็รู้ว่ายืนกายเดินก็รู้ตัวว่ากําลังเดินกายกําลังนอนก็รู้ว่ากําลังนอนนี่แหละคืารู้ตัวเนี่ยมันง่ายๆ เนี่ยเริ่มเริ่มเป็นพระได้แล้วเนี่ยรู้ตัวพระต้องรู้ตัวนะถ้าพระลืมตัวเนี่ยศีลขาดหมดเลยรู้ตัว mm hmm. เวลาจะดื่มก็รู้ตัวว่ากำลังดื่มนี่ก็มีสติแหละใช่ได้เวลาจะจับอะไระเช็ดจมูกแค่จมูกก็รู้ตัวอิยาบทใหญ่นอนนั่งยืนเดินถ้าเรามีความรู้ตัว อันน้นว่าเป็นเป็นการปฏิบัติธรรมเป็นการเจ ร, ริญสติในชีวิตประจำวันแล้วการที่จะขยับตัวเล็กน้อยขยับไปมารู้ตัวว่ากาลังเคลื่อนไหวเนี่ยดื่มน้ําทานข้าวเนียเสยผมอ้าปากขาวรู้ตัวนี่ก็ถือว่าเป็นอิริยาบถย่อยที่เจ ร, ริญสติได้ทั้งนั้นเราก็เอากายเป็นวัดเปลี่ยนละจากข้างนอกเนี่วัดข้างนอกไม่เอาละไว้ก่อนไว้ก่อน อันนี้เราวัดกายวัดใจก่อนจิตวัดใจวัดกายก่อนเอากายเป็นวัดแล้วอะไรจะเป็นพระเอาใจเป็นพระเนี่ยวัดต้องมีพระถ้ากายเป็นวัดเนี่ยไม่มีใจเป็นพระเลยใจก็จะหลงลืมเอากายเป็นวัดเอาใจเป็นพระเห็นหเราสามารถจะยกวัด กับพระไปได้กระติดตัวลตรตลอดเวลาเลย <Yeah. S 1> เป็นการบวชอยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่ทางาน yeah. อย่างเนี้ยอยู่อยู่โรงพยาบาลแล้วก็บวชในโรงพยาบาล yeah. เราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลจุฬาพร์วรวิหารหรอก <laughs> <laughs> นี่ยละโรงพยาบาลจุฬาพรเนี่ยเราเป็นพระติดพระใจอย่างเนี่ยพระสติ เนี่เอากายเป็นวัด เ, เอาใจเป็นพระพระสติคล้องจิตคล้องใจเอาไว้ก็จะเป็นพระเหมือนบวดอยู่ที่บ้านเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาล เ, เราอาจจะบรรลุธรรมรู้แจ้งในสัจธรรมเอ็นแจ้งในธรรมในนิพพานอยู่ที่ที่บ้านหรือที่ทำงานของเราก็ได้ใช่ไหม มันทําได้ตลอดเวลาเลยเนี่ยเวลามีสติรู้เท่าทันกายเราเนี่ยถ้ามีสติรู้ตัวอยู่เนี่ยเราก็มีศีลมีศีลครบเลยนะศีลห้าก็ครบแล้วแค่ศีลห้าเรานั่งเนี่ยเรารู้ว่าเรานั่งนะเราก็ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้แบบพืชปิดในกามเนีไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ดื่มสุรามันศีลห้าครบแล้ว มีศีลละถ้ามีศีลเนี่ยเป็นมนุษย์ได้นะคนที่ศีลไม่ครบห้าเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่ได้นะ <c oughs> คนกรนจะบวชเป็นพระเนี่ยเขาจะอะไรมนุษย์โสสิเนี่ยตามเป็นมนุษย์ไหมอะมะพันเตแต่เรามีศีลเป็นมนุษย์ได้ละมนุษย์แล้วก็จะต่อไปก็จะเป็นพระได้เมื่อสติรู้ตัวอยู่เนี่ยก็จะมีศีลจิตใจก็เป็นปกติร่างกายก็เป็นปกติ คำพูดก็เป็นปกติใช่หไหมศีลเพื่อความเป็นปกติเนี่ยแค่ศีลห้าเนี่ยเราก็เป็นมนุษย์ได้แล้วคนที่มีศีลห้าน่มันช่วยทำให้สติมันเกิดเพราะว่าหลายเพราะว่ากลัวจะผิดศีลทำอะไรก็กลัวจะผิดศีลไอ้กลัวตรงนั้นแหละทำให้เกิดสติระวังสำรวมระวังสติแปลว่าความสำรวมระวังเนี่ย กลัวว่าเราจะผิดศีลใช่ไหยเรามีสติโดยอัตโนมัติเลยนะสติทำให้เกิดศีลศีลก็ทำให้เกิดสติเหมือนกันแล้วเมื่อเกิดศีลแล้วเนี่ยเบื้องต้นของกุณธรรมเนี่ยจะเกิดขึ้นทันทีเลยความละอายชั่วกลัวบาปคนมีความละอายชั่วกลัวบาปเนี่ยไม่กล้าผิดศีลศีลหเนี่ยเป็นเบื้องต้นของกุณธรรมละอายชั่วกลัวบาป มันต้องมีเบื้องต้นก่อนแล้วต่อไปค่อยพัฒนาขึ้นพอมีศีลแล้วเนี่ยคนที่มีศีลมีการสำรวจระวังเนี่ยจิตใจจะเป็นสมาธิได้ง่ายสมาธิจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเลยเวลาเราทำงานเช่นเราตั้งใจทำงานสักอยา่างอะไรเงี้ยใจเราตั้งมั่นตรงนั้นเนี่ยมีสติเนี่ยกายวาจาก็เป็นปกติใจก็เป็นสมาธิ อยู่กับแดนงานตรงนั้นเลยจิตใจจดจ่ออยู่กับแดนงานมันเกิดสมาธิในแดนงานเกิดสติเกิดสมาธิเคยสังเกตดูบ้างไหม <c oughs> เรามีสติมีสมาธิแล้วจะมีความสุขในการที่เรากำลังทำงานเพราะใจไม่ได้วอกแวกไปคิดถึงเรื่อง เ, อเรื่องความโลภเรื่องความโกรธเรื่องจิตคิดฟุ้งซ่านก็ไม่มี ความเศร้าหมองสลดอรูตก็ไม่มีความสงสัยอะไรก็ไม่มีเพราะเราจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ที่แดนงานเมื่อไม่มีความคิดอะไรปรุงแต่งมากมายจิตเป็นปกติมันก็จะมีความสุขสมาธิทำให้จิตใจเรามีความสุขแต่ไม่ใช่สมาธิที่กดจิตไม่ให้มันคิดนะเห็นไหมที่เราเวลาเข้าห้องสมาธิพัดนั่งหลับตาบังคับจิตใจไม่ให้คิด ก็เครียดอะดินะแล้วไม่สมาธิแบบมันมากเกินไปมีความตั้งใจกดขม่มจิตใจทําให้เราเครียดเป็นทุกข์แต่สมาธิที่เกิดจากการมีสติรู้ตัวเนี่ยมันจะมีสมาธิอยู่ส่วนหนึ่งและมีสติรู้ทันในความสงบนั้นไม่ใช่สมาธิกดจิตให้มันสงบแล้วก็เกิดความเครียดเหมือนหินทับหญ้าหินทับหญ้าเป็นยังไงอะหญ้าเนี่ยเวลามันขึ้นตัวเราหินทับเอาไว้เนี่ย หญ้าไม่ตายเวลาฝนตกมาอากาศดีหญ้าก็โโละขึ้นมาเนี่ยหินทับหญ้า เ, เวลาเอาหินออกหญ้าก็เจริญเติบโ ต, ตเอาสมาธิไปกดจิตแม่มันคิดแม่จิเลศมันโผล่เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดออกมเหม็นคนที่เวลาเกิดความกลัวมันนั่งสมาธิกดเงียบนะดูสงบเงียบพอออกจากสมาธิปับ๊บโอ้ระเบิดเลย โกรธเป็นสมาธิเหมือนกันเลยนะโกรธหนักแน่นยาวนานสมาธิในความโกรธพอไปกดทับมันไว้มันระเบิดออกมาเลยผู้ที่ติดดีอะ่ะคนที่ติดดีอะ่ะเนี่ยชนี้ชอบสมาธิสงบนิ่งกดคมติดดีออกมาเมื่อไหร่ก็ดีหายเลยนะใครว่าไม่ดีก็ไม่ได้กลัวตัวเองจะไม่ดีน่าทุกอีกแบบหนึ่งนะทุกข์เพราะกดคมไม่ให้โลภโกรธหลง ม, มันเกิดขึ้นมาแต่นั่นจิตใจ แต่ถ้ามีสติล้วเนี่ยถ้ารู้ทันเวลาจิตกโกรธรู้ทันจิตว่ากำลังโกรธนะมันมีสมาธิตั้งมันคือเห็นสมาธิตั้งมันคือสมาธิที่เป็นผู้ดูเป็นผู้รู้ความโกรธไม่ใช่เข้าไปกดข่มไม่ให้มันโกรธโกรธได้แต่มีสติรู้ทันแล้วก็จะไม่ออกมาทางกายทางวาจา โกรธได้แต่รู้ทันว่าโกรธเนี่ยมันจะจบลงที่รู้ทันมันไม่ออกมาพูดอะไรที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือทําร้ายคนอื่นใช่ไหมสติรู้ทันสติที่รู้ทันในความโกรธนั่นแหละมันมีสมาธิเนี่สมาธิที่รู้อยู่ตั้งมั่นอยู่เป็นผู้เห็นความโกรธแต่ไม่เข้าไปเป็นผู้โกรธต่างกันนะ เคยไหมเราโกรธกับเราเห็นมันโกรธเ อ, อเราโกรธคือเราก็ต้องโกรธอยู่งั้นแต่ถ้ามีสติมีสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยโอ้เราเห็นความโกรธเนี่ยแสดงว่าเราเป็นผู้เห็นความโกรธเราไม่ได้เป็นผู้โกรธใช่ไหมเนี่ยสติทําให้เกิดสมาธิที่ตั้งมัน่นรู้ ท, ทันในความความโกรธเนี่ยนะศีลมีแล้วนะ สมาธิเกิดขึ้นแล้วโดยที่เราแค่มีสติรู้ตัวเท่านั้นเองเนี่ยพอรู้ทันในความโกรธเห็นความโกรธโอ้ความโกรธนี่มันร้อนรุ่มกลุ่มอกกลุ่มใจมันเป็นนรกเนี่ยมันเป็นทุกข์นะความโกรธสติเป็นผู้เห็นโนความโกรธมันเป็นทุกข์เนี่ยพอดูไปสักพักหนึ่งความโกรธเป็นกิเลสกิเลสที่มันกลัวนะ กลัวสติที่รู้ทันนะสติรู้ทันปั๊บความโกรธก็จะค่อยๆจางคลายไปนจากโกรธหนักเป็นโกรธเบาลงเบาลงนะเบาจางคลายคือเรารู้ทันในความโกรธนะเราไม่ได้ไปดูที่ผู้ที่ผู้ทําให้เราโกรธถ้าไปดูคนทําให้เราโกรธล้วก็โอ๊ยความโกรธข้างในมันมันคลุกกลุ่มมันรุนแรงขึ้นมันร้อนขึ้น แต่ถ้าเราคนนู้นทําให้เราโกรธเรากลับมาดูในความโกรธปั๊บมันจะจบลงตรงนี้โอความโกรธมันจางคลายมันไม่แน่นอนมันไม่เที่ยงเนี่ยเมื่อกี้มันเป็นทุกข์นี่มันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนดูต่อไปอ้าวพอดูนานๆเข้าเนี่ยความโกรธมันหายไปเลยความโกรธมันเป็นตัวกิเลสที่มันไม่จ่อไม่ใครไปดูมันนานๆพอรู้ทันปั๊บมันค่อยๆจะจางคลายแล้วก็หายไป ความโกรธเป็นอนัตตาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ยมันเกิดเกิดขึ้นชั่ววูบเราเผลอสติมันก็โกรธถ้ามีสติรู้ทันปั๊บมันก็จางคลายหายไปต่อหน้าต่อตาเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนในความโกรธในจิตใจของเราเนี่ยตอนนี้เวลาเกิดความโกรธล้วก็รู้ทันนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยต่อไปพอรู้ทันบ่อยเข้ามันไม่อยากโกรธละมันอายหน้าม้วนหน้าหนีไปเลยปไปเข้าคนอื่นที่มันขี้โกรธ เรารู้ทันแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปเข้ากับคนที่รู้ไม่ทันในความโกรธและยิ่งไปทำตามความโกรธยิ่งหนักไปเลยถ้าใส่เชื้อมันโกรธหนักเข้าไปอยงเกิดความโกรธปั๊บมืขาดสติแล้วไปยังไงตอนนี้ก็ระเบิดออกมาทางกายทางวาจาปรุงแต่งไม่น่าทำเราโกรธอย่างนี้มันไม่ยุติธรรมกับเราเนี่ยทากับเราได้ยางไร ต่อไปความโกรธมันก็ได้อาหารต่อไปโกรธง่ายมากเลยง่ายที่จะโกรธเลยเราองให้อาหารเขาไว้เราก็จะพ่ายแพ้ในความโกรธต่อไปเพราะฉะนั้นถ้ามีความโกรธแล้วเกิดอารมณ์ปับ๊บตั้งสติให้ได้จะเป็นความโลภความโกรธก็ตามมันเกิดในใจเราปับ๊บตั้งสติรู้ทันมันเลยตั้งสติให้ได้รู้ทันมันแล้วมันจะค่อยจางคลายไปอย่าเพิ่งทาอะไร เวลาเกิดความโกรจะเพิ่งทำอะไรถ้าไปทำตอนนั้นเนี่ยไม่มีเหตุผลพูดก็ไม่มีเหตุผลเป็นการระบายอารมณ์จะสอนใครก็ไม่มีเหตุผลเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็มันจะทำให้เกิดอาการเนี่ยรุนแรงขึ้นมากยิ่งขึ้นทำอะไรก็ไม่ค่อยดีไม่เรียบร้อยแล้วก็เรียกประชดทำตัวแบบประชดประจันทำดีก็ททำดีแบบประชด เวลาโกรธปั๊บตั้งสติรู้ทันปั๊บอย่าม่างทำอะไรรอสักพักหนึ่งถ้ารอไม่ได้ก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมองไกลๆมองไปไกลๆหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆพอเราไม่สนใจกับความโกรธเรามารู้ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเราไม่สนใจเสียนนมันก็จะหายหน้าหายตาไปมันจะหายไปเลย อะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในใจเราก็ตามถ้าเราไม่ให้ค่าไม่ให้ราคาไม่ให้ความสําคัญมันเส็แล้วมันก็จะหายไปเองแต่ถ้าเราไปให้ความสําคัญมันมากไปปรุงแต่งหรือไปทํำลายมันมันยิ่งรุนแรงในใจเราทําให้รู้มีมมจีลมหายใจใจเข้าออรู้ให้ใจออกรู้มองไกลๆหรือขยับมือเคลื่อนไหวแล้วก็มารู้สึกที่การเคลื่อนไหวของมือนี่นี่ก็แบบนี้เราไม่สนใจในความโกรธแสดงมันก็จะหายไป เนี่ยคือคนที่มีสติยังน้อยอยู่แค่รู้ทันก็สามารถเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจย้ายใจมาอยู่ที่อื่นได้ไม่ปล่อยจใจ ห, หลงไหลไปในความโกรธถ้าคนมีสติมากๆสมาธาาิจะเกิดจะรู้ทันแล้วก็ความโกรธก็จะดับไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราไม่ต้องบวชเลยเนี่ยเราเป็นพระได้ขณที่เราฝึกสติเห็นอารมณ์พวกนี้่ะเนี่ยพอจะทาได้ไหมอย่างเงี้ย กลัเวลาโกรธก็ต้องรีบไปว่าเขาไปบอกเขาเดี๋ยวมันจะหายซะ ก, ก่อน <c oughs> พอรีบบอกก็ไปใส่เชื้อมันเนี่ยต่อไปก็ง่ายที่จะโกรธเป็นสมาธิขี้โกรธไม่เอาเรารู้ทันแล้วก็ไปเปลี่ยนจิตเป็นใจทาอย่างอื่นซะไปสนใจอย่างอื่นซะให้ความโกรธมันจางคลายไปก่อนแต่เราใครมาพูดใครมาทำบางทีไม่ต้องพูดไม่ต้องทาเลย มันเกิดอาการเข้าใจนี่เป็นธรรมะเป็นสายธรรมมันอย่างที่คนชาวเรือเนี่ยชาวเรือเนี่ยเวลาจะออกเรือเนี่ยเวลามีลมพายุรุนแรงเขาก็ไม่ออกเรือเขารอให้มันหายซะก่อนแล้วค่ออกเรือถ้าออกเรือตอนพายุรุนแรงแล้วก็อันตรายต้องร้อยมันหายซะก่อนเนี่ยเนี่ยการออกเรือเนี่ยเรือพยากรณ์อากาศเนี่ยวันนี้ มีประยุกเข้ามาเลยใหญ่ฮะบอกจากฟังเลรอเล็กออกได้ <laughs> เพราะเลยใหญ่ออกไปที่ทาให้เลยเ ล, ล็กล่มปล่อยให้อารมณ์โกรธมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปอดทนดูสักหน่อยหนึ่งเราจะเกิดความรู้แจ้งต่อไปเราจะชนะความโกรธได้เ <laughs> นี่ยการจริตสติในชีวิตประจำวันเนี่ยสามารถทำให้เราเนี่ยใจิตใจเราเป็นพระได้ เป็นพระได้โดยไม่ต้องสวมเครื่องแบบพระซ้ําัมไปใส่ชุดไหนก็เป็นพระได้เป็นพระที่ใจบวชที่ใจเรียกว่าดีกว่าบวชทางกายแล้วบวชทางใจดีกว่าบวชทางกายบางทีก็ทําใจไม่ได้ <c oughs> ถ้าบวชทางใจได้ไดนี่เรียกว่าเรื่องภายนอกเลยไม่สําคัญเลยนะการเจรรยาติในชีวิตประจำวันทําให้เราเป็นพระได้ที่ใจ ทำให้รู้เท่าทันจิตใจเรารู้เท่าทันจิตใจเราแล้วก็เอาชนะใจเราได้ด้วยการมีสติรู้ทันอันนี้เป็นกุศลเลยแล้วแถมยังรู้เท่าทันจิตใจคนอื่นด้วยรู้ทันอารมณ์อื่นด้วยแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจจิตใจของเขาอารมณ์เขาความคิดของเขามันก็จะเกิดความสมัครสมานสามัคคีกันไม่ขัดแย้งกัน ไอ้ที่ขัดแย้งกันเนี่ยแต่ว่าเราไม่รู้จักใจเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเขาแต่ถ้าฝึกสติแล้วจะเข้าใจเขาอ๋อเขาก็เป็นอย่างนั้นเองเราเข้าใจเขาก็ไม่ขัดแย้งกันอาจจะแตกต่างเรื่องความคิดนแต่ก็ไม่มีความแตกแยกเนี่ไม่มีความแตกแยกในความสึกต่างๆคนที่จเจริญติดในยู่จําวันเนี่ยทําบ่อยๆเนี่ยจะมองโลกในแง่ดีนะ มารอดในแง่ดีมารอดในแง่งความเป็นจริงแล้วก็สามารถเปลี่ยนชีวิตจากร้ายกลายเป็นดีได้เถ้ามีคุณธรรมประจําชีวิตคุณธรรมประจําจิตประจําใจคุณธรรมประจําชีวิตนั้นก็ต้องมีคุณธรรมประจําใจใจเป็นผู้ชักนําชีวิตทำมไ ม, มชีวิตไม่มีใจกม็มีประโยชน์อะไรใจเป็นตัวสําคัญเรียกว่าชีวิ ต, ตจิตใจต้องไปด้วยกัน ใช่ไหมชีวิตจิตใจต้องไปด้วยกันชีวิตต้องเริ่มโนที่จิตใจนะบางคนมีร่างกายเหมือนคนไม่มีชีวิตก็มีนะเห็นไหมเดินเสื่องใจลอยโอ้โหนี่มีแต่ร่างกายไม่มีจิตใจเลยถ้าคนที่มีจิตใจดีชีวิตก็พาไปดีวิธีคิดก็ดีถ้าวิธีคิดดีการปฏิบัติก็ดีการกระทำก็ดีการพูดก็ดี ชีวิตก็ดีตามไปเริ่มที่จิตใจชีวิตจิตใจเริ่มขึ้นจิตใจแล้วชีวิตต้องมีชีวาชีวิตต้องมีจิตใจที่มีคุณธรรมเป็นชีวิตที่มีชีวาชีวิตที่ไม่มีชีวาเป็นไงไหมชีวิตที่ไม่มีชีวาจิตใจเลื่อนลอยทำอะไรก็แบบสังกาตเซงเศร้าผละนันต้องชีวิตต้องมีชีวาตน มันถึงจะสดใสเนี่ยเราสามารถเป็นพระได้ที่ใจตรงนี้แหละเนี่ยผมเองเนี่ยมาสมัยที่พิการใหม่ๆเนี่ยหาทางออกจากความทุกข์มัรูะออกทางไหนส6หกปีสนใจในธรรมะทางด้านการอ่านหนังสือแต่ไม่ได้ปฏิบัติเลยรู้แต่ทฤษฎีไม่ได้เริ่มต้นปฏิบัติเลย จะดีๆเนาะธรรมะเนี่นสอนดีเนาะแต่เราไม่ได้ปฏิบัติเพราะความคิดว่าเราคงทํไาไม่ได้เราเราคงไปฏิบัไม่ได้เราไม่ได้บวชเราเป็นคนพิการคนพิการก็ห้ามบวชทั้งที่อยากจะบวชแต่เขาไม่ให้บวชตอนดีๆไม่ค่อยคิดจะบวชเลย <laughs> ตอนมีการอยากจะบวชที่หาทางเอาไม่ได้อ <laughs> แต่ก็จะบวชนะตั้งใจบวดไปยี่สิบวันก็จะบวชแล้วแจกการเรียบร้อยแล้ว ยีบวันก็เกิดบันเทิเนี่ยไประกระโดดน้ํากระดูกคอต้นที่หหักคอที่หหักก็เลยเป็นเอามาพาไปส่วนล่างไม่รู้สึกส่วนล่างที่ไม่รู้สึกเลยมีการเคลื่อนไหวเฉพาะเนี่ยว่าไหลเนี่ยเมื่อก่อนก็เคลื่อนไหวไม่ได้อาศัยการฝึกฝนตัวเองช่วยตัวเองจึงมีการเคลื่อนไหวได้บ้างเป็นบางส่วนไอ้ส่วนที่เคลื่อนไหวไม่ได้เลยนี่ก็เยอะชีวิตมีแค่เนี้ยข้างล่างไม่ไม่รู้สึกเลย เม่อกี้นี่คุณเอ า, เอาทานชาไหมบอกชาไม่ต้องอะ่ะตัวผมชาทั้งตัวอยู่เลผมไม่ต้องการชาแนละ้วชาเต็มที่แนละ้ชาพอเพียงแล้วแมวนะว่านะ้ชาไม่ต้องก็นอนรอพักเพื่อเยียดตัวในการหายใจการหายใจลำบากมากพอมีการเคลื่อนไหวได้น้อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยบีบรัดตัว นอนก็ไปนอนปอดต้องมีคนกระตุ้นปอดต้องเขยา่าอยกนะมีผแผนกเขยา่าปอดเพื่อช่วยมันหายใจปอดมันไม่ค่อยจะหายใจแล้วมันหายใจสั้นมากแค่นี้เองความเหนื่อยจะมีมากแล้วก็เอาย่อบางส่วนเนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนมันขี้เกียจทำงานนะการขับถ่ายก็บีบแกามเนื้อที่หน้าท้องก็บีบรัดตัวไม่ดี การย่อยอาหารก็ไม่ดีกระเพาะก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวลําไส้ต่างๆก็ไม่ค่อยจะเคลื่อนไหวขับถ่ายมาก็แสนจะลําบากมาชีวิตร่างกายเนี่ยทุกข์มันมากตรงที่ขับถ่ายนแล้วก็ผิวหนังก็เนี่เจออากาศร้อนก็ร้อนสวิงไปทางสุดขั้วไปเลยเวลาหนาวก็หนาวเต็มที่เหมือนกันไม่รู้ว่าชีวิตเราอยู่ตรงกลางตรงไหนเดี๋ยวหนาวเด๋ยวร้อนสับตนไปหมดเหมือนร่างกายมันขี้เกียจทํางานน ลมหายใจก็เลยนิดเดียวมันขี้เกียจจะหายใจแล้วก็ยังเหลือหัวใจมันยังไม่ขีเ้เกียจเต้นถ้าหัวใจขีเ้เกียจเต้นแล้วก็จบกันเราขี้เกียจมีชีวิตอยู่เหมือนกัน อ, ะอ่ ะ, อะแต่ก็ไม่ได้ป่วยไปกับมันนะผมเห็นมันป่วยเห็นมันพิการโอ้เห็นมันป่วยสนุกเป็นผู้ดูมันเป็นผู้ดูความป่วยไม่ได้เป็นผู้ป่วยเป็นผู้ดูความพิการไม่ได้เป็นผู้พิการดูไปดูมาความพิการไม่มี มันมีแต่ความไม่สะดวกกันความมีเกินเรื่องสมมุติแต่ความไม่สะดวกในเร่อเราจะต้องอยู่กับมันให้ได้โดยที่ใจไม่ทุกข์คิดจะปฏิบัติธรรมเมืตอนเริ่มต้นเ้าอยู่ที่บ้านทำยังไงดีกันอ่านหนังสือธรรมะเสร็จโอ้ต้องปฏิบัติธรรมโอ้อยากจะฝึกจริตสติในชีวิตประจำวันนี่แหละเนี่ยฝึกสติตอนนั้นสติขึ้นสมอง <c oughs> แต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมนี่ความคิดมันขึ้นสมอง โอ้ทุกหนักหลงมากบอสติขึ้นสมองแล้วมันจะทําความดีมอโรนอน่างไงดีจะแก้ปัญหาตัวเองก็ทํายังไงดีอก็ต้องจัดบ้านเราไปวัดไม่ได้จัดบ้านให้เป็นวัดเลยทำยังไงมีห้องส่วนตัวอยู่ห้องนึง่งอ๋จัดแต่ไม่ได้จัดเองไนะนอนอยู่บนเตียงจัดไม่ได้เรียกคุณพ่อคุณแม่ช่วยกันพ่อช่วยยกอันนี้แม่ช่วยตัดตรงนี้จัดให้เหมือนวัดได้โอ้บุญวายพ่อแม่ก็ปวดหัว ทำเองไม่ได้แล้วก็ใช้เขาเนี่ยตัวเองจัดไม่ได้ใช้คนเ ข, เขจัดเดือดร้อนอจัดไปจัดมาอ่ะลองฝึกสติตอนฝึกสตินี่ฝึกปฏิบัติธรรมที่บ้านเน่ยคิดว่าเราปฏิบัติธรรมใครจะมายุ่งไม่ได้นีเสียงดังหน่อยก็เครียดไม่พอใจเนี่ยใครมาคุยหน่อยก็ไม่พอใจเราจะปฏิบัติธรรมไม่รู้เลยว่าใครทําเสียงดังก็ไม่พอใจ รถขายน้ำปลามันผ่านหน้าบ้านไม่พอใจรถขายน้ำปลาซึ่งมันขา ย, ยทุกวันนะวันนั้นจะปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมาขายก็ไม่พอใจมันเออใจลอยคุณพ่อมาถามคุยหน่อยแล้วก็ไม่พอใจเนี่ยคุณแม่มาดูแลทําสิ่งดังก็ไม่พอใจโอ้นี่เราทําให้ค น, นเดือดร้อนมากเลยพอเราหงหงิดไม่พอใจท่านก็เครียดเหมือนกันนะเห็นเราไม่สบายใจท่านก็ไม่สบายใจไปด้วยคนรอบตัวเดือดร้อนได้หมดเลย เออฝึกไปฝึกมาเนี่มาลอมยิ่งทํายิ่งมีความทุกข์ว่าเราไปกดขม่มกดก่มห้ามทุกอย่างให้ทุกอย่างได้อย่างใจเราโอ้ไปห้ามเขาแล้วก็ห้ามใจเราทุกอย่างเลยเครียดไปหมดเลยเนยปฏิบัติทำแบบเคร่งเครียดไม่ได้เคร่งครับทําไปทุกไปก็ก็เลยมารู้ว่าอ๋อจิตใจเราใจเราต้องหากนะเป็นต้นตอของความทุกข์ ใจเราเวลา ม, มันคิดไม่พอใจเลยขึ้นมาเนี่ยอยากให้ทุกอย่างมันถูกใจเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากที่ใจเราตั้งไว้ผิดวางไว้ผิดใจเราวางไว้ผิดเนี่ยเราไปคาดหวังสิ่งข้างนอกเพื่อให้ถูกใจเนี่ยเราไปทําสิ่งข้างนอกให้ถูกใจเราแต่ลืมเราจะจัดใจเราให้ถูกกับสิ่งข้างนอกเราจัดสิ่งภายนอกให้ถูกใจจัดโลกให้ถูกใจ แต่ไม่เคยจัดใจเราให้เข้าใจโลกเข้าใจสิ่งไม่นอกเลยเนี่ยไม่เคยจัดใจเราอ๋อเราพอใจเราต่างหากเป็นต้นเหตุที่ตั้งไว้ผิดนี่ก็เลยพอเห็นตัวต้นตอหรือความคิดของเรานี่แหละรู้ทันมันว่ามันให้ได้อย่างใจมันเองพอรู้ทันปั๊สิ่นั้นก็ค่อยจางคลายไปเนี่ยเพราะจิตที่มันคิดเีีจะจัดสิ่งข้างน้อยถูกใจเราเนี่ย มันหายไปเนี่ยโอ้ใจเราสบายเลยสบายเลยโอ้ใจเราสบายมีความสดชื่นเมันเริ่มจะที่ใจเราเพอเราสบายใจสดชื่นคนรอบตัวก็มีความสุขด้วยเขาก็สบายใจเราก็สบายใจออนี่เราปล่อยทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติแต่เราเข้าใจสิ่งข้างนอกเข้าใจจิตใจเราเนี่เนี่ยการจัดโลกให้ถูกใจเนี่ยมันลาบากและมันยากมากจัดสิ่งภายนอกให้ถูกใจเราสูเราจัดใจเราให้เข้าใจโลก เข้าใจตามความเป็นจริงนะว่าสิ่งข้งเปร้รอนหน้าหนาวก็ต้องหนาวหน้าร้อนก็ต้องร้อนอยู่ในห้องแอร์ก็ต้องเย็นนะอยู่กับคนนี้เขาเป็นคนที่พูดมากนะเอาความดีใส่ตัวเอาความช่วยใส่คนอื่นโอ้ธรรมดาเป็นธรรมชาติของเขาอย่าไปโกรธเขานะเราไปโกรธเขาเราก็เป็นทุกข์เองอเป็นเรื่องธรรมดาเขาเป็นอย่างนั้นเองธรรมชาติของเขานะเขาเป็นคนที่ชอบพูดมากชอบ ทำร้ายคนอื่นอ๋อถูกขเขา เ, เราก็ไม่เป็นอะไรเขาเรียกไม่เป็นศัตรูกับใครเพราะเข้าใจเขาเนี่ยตัวนี้สาคัญนะเนี่ยพราะเข้าใจเขาว่ารู้ความจริงเขาแล้วเนี่ยเราก็สบายใจแต่ที่จะไปกดคมเขาบังคับเขาไปคาดหวังในตัวเขาเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์ปล่อยเขาเป็นธรรมชาติเราจะอยู่กับคนคนนี้อย่างไรด้วยใจเราไม่ทุกข์อันเนี้ยอ๋ออยู่ด้วยความรู้ตัวสิ อะไรที่เขาไม่ชอบอย่าไปกระทบเขาอะไรที่เขาไม่ชอบจะไปขวางเขาอะไรที่เขาไม่ชอบก็ไม่ต้องไปไม่ชอบตามเขาแต่ให้รู้เขาไม่บังคับเขาแต่ให้รู้ทันเขาใช่ไม้มเนี่ยการจัดใจเราเข้าใจสิ่งภายนอกนี่มันง่ายเนี่ยจะให้เขารักเราทั้งหมดทั้งโลกนี่มันง่ายหรือยากเน่ยแต่เรารักคนทั้งโลกนี่โง่ง่ายมากเลยเพราะใครรัก คนนั้นก็ได้ความรักจะลอยคนอื่นก็รักเราเนี่ยบางทีเราโหยหานะเราขาดความรักเรารักก็จะเล่นหมดเรื่องมันดราวเราก็เต็มโลกรักบุคคลรักลักต้นไม้ลักสิ่งของความรักเต็มจิตเต็มใจเลยไม่ต้องไปเรียกร้องหาความรอกจากใครแล้วก็รักเขาแล้วเราก็ได้แล้วความรักใครรักใครได้ใครเรียกร้องเนี่ยคนนั้นไม่ได้ยังขาดตบบกพร่องยังยากจนอยู่จนรัก พวกนี้พวกจนรักพวกจนใจเราเต็มใจเนี่ยเรามีความรักเนี่ยรักเต็ม อ, อกเต็มใจเห็นไหมสิ่งภายนอกก็เป็นอย่างนั้นเองแต่เราไม่ได้เป็นอย่างเขาเนี่ยคนนี้เป็นอย่างนี้เองแต่เราไม่เป็นอย่างเขารู้ฐานเขรู้เขารู้เราเนี่ยเนี่ยจัดบ้านได้เป็นวัดนะเนี่ยจัดใจให้เป็นพระเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดจะจัดบ้านได้เป็นวัดก็อย่าลืม จะจัดใจเป็นพระด้วยถ้าใจเป็นพระได้มาเลยแล้วก็จะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็จะสบายอกสบายใจมีความสุขได้ทุกที่ถ้าใจเราเป็นพระนะน่าจะพอแล้วบ้างเนี่ยเห็นว่ารู้สึกจิตใจไม่ค่อยอยู่กันเนื้อกันตัวนะมันใกล้เวลาสี่โมงก็จะต้องไปรับลูกไปอะไรหลายๆอย่างนะมันต้องรู้เขารู้เรา คนมีสติ<ร>ต้องรู้ใจกัน เ, เข้าใจกันอ่ามีใครมีคําถามอะไรไหมครับจากตรงนี้้ไม่มีโมเดเลเตอร์มีคําถามเองอทราบมาว่าอาจารย์มีแนวทางการปฏิบัติอย่างการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวใช่ไหมครั บ, รบอาจารย์พอจะแนะแนวพวกเราได้บ้างไหมครับโอ้ได้สบายมากเลยครับเชิญครับอานะจาอยู่กันด้วตัวนะนะอย่าเพิ่งหลุดออกจากปัจจุบันะนะอ่ะ เรามาฝึกสติแบบเคลื่อนไหวแบบง่ายๆนอนป่วยไข้ที่บ้านก็ทำได้คนไข้ก็ทำได้เนี่ยพอทำได้มาแล้วก็จิตใจเราเป็นอิสระความป่วยเป็นเรื่องของกายแต่ใจเราไม่ได้ป่วยด้วยเป็นผู้ที่รู้เท่าทันความป่วยเป็นผู้ดูความป่วยเนี่ยเวลาใจมันโกรธนะมีสติรู้ทันเห็นความโกรธไม่ได้เข้าไปเป็นผู้โกรธง่ายๆนะนะไม่ต้องหลับตาไม่ต้องใช้ความคิด ไม่ต้องใช้คําบริกรรมใช้แค่ความรู้สึกตัวนั่งท่านไหนก็ได้ท่านสบายอย่าหลับตานะบอกวเอานิ้วจีกับนิ้ว ม, ม, มือเนี่ยสัมผัสมือเดียวนิ้วเดียวนะไม่ต้องยกหน้าวางไว้ทําไม่รู้ไม่ชีไม่รู้ไม่จีไม่รู้ว่าใครไม่รู้ว่าเราทําอะไรแต่รู้เราทําอะไรเนี่ยกายอยู่นี้ใจยอยู่นี้นะ สังเกต ด, ดูที่นิ้วชีก้กับนิ้วหัมือสัมผัสกันเบาๆไม่ต้องมองนะสัมผัสไม่ใช่ดูด้วยตาดยด้วยความรู้สึกรู้สึกสัมผัสกันยังรู้ไหมเ <Yeah. S 1> เวลานิ้วมันสัมผัสกันก็รู้ <Yeah. S 1> ยังรู้สึกอยู่นะ yeah. Yeah. อย่าไปเพ่งนะรู้แบสบสบายๆเบาๆ ทำเหมือนเนียนทำนิ่เนีย น, น, น, ยนไม่มีใครรู้ว่าเราทําอะไรแต่เรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยใจอยู่กับตรงนั้นแหละใจรู้ตรงนั้นอย่าไปอยู่ตรงนั้นแต่รู้ที่ตรงนั้นถ้าไปอยู่เนี่ยใจจะถูกล็อกครับอยู่ในร่างกายให้รู้เวลานิ้วสัมผัสกันก็นกรู้ถ้ามันไม่ชักก็บีดแรงๆทั้หน่อยให้รู้สึกเดีย๋ยวรู้สึกอยู่ไหมเนี่ยนิ้ว เคลื่อนไหวใจรู้เนี่ยในเงี้ยเรามีสติมีการปฏิบททัติธรรมแหละจะเพ่งไปไหนนะสบายๆหน่อ ย, นะ ย, ย, อ, ยอย่าทําแล้วจะเป็นทุกข์ทำสบายๆอย่าไปเพ่งมันมากรู้เบาๆรู้เล่นๆยิ้มๆ <c oughs> รู้สักสัวันรู้เนี่ยถ้าเรารู้ตัวว่าเรากาลังทำไรเนี่ยได้ปฏิบททัติธรรมรู้ต่อเนื่องานานๆเวลาเข้าที่ประชุมแล้วก็รู้สึกตัว เวลาเขาพูดมาเราก็รู้สึกตัวใช่แต่ที่จะไปโกรธเขาแต่เรามารู้สึกตัวเวลาอยากกลับบ้านก็รู้สึกตัวเวลามันเกิดอะไรขึ้นก็รู้สึกตัวอยู่กันเนื้อกับตัวไวไ้จะรอใครก็ตามบางทีการรอเป็นเวลาที่น่าเบื่อหน่ายมากอย่าเสียเวลารอให้จิตใจเป็นทุกข์เรารู้สึกตัวมีสติด้วยได้ไปปฏิบัติธรรมในระหว่างการรออาจจะบรรลุธรรมในขณ ะ, ะที่รอคอยใครก็ได้ ปัจจุบันนีกาอยู่นี้ใจอยู่นี้อยู่กับปัจจุบันเนี่ ย, ย, ย, ยจจอันนี้คือได้ปฏิบัติธรรมง่ายไหมเราก็พิบตาดิหลังเปลี่ยนมือเปลี่ยนไม่เราก็พิบตาแล้วก็รู้สึกมันเมื่อกลับรู้สึกหนังตากระทบกันแล้วก็รู้สึกรู้สึกไหมเวลาหนังตากระทบกันอาจจะสะดุดขี้ตามันก็รู้สึก ง่ายไหมเวลามันง่วงนอนก็ลองทำตาโตๆแล้วก็รู้สึกแกงง่วงต้อมีสติด้วยไหลองยักคิ้วเล่นแล้วก็รู้สึกน่ยักสองข้างมันเสียพลังงานอาัทีละข้างาไอ้ที่เรายักยางถ้าเราพยายามทำเนี่ยสติจะเกิดน ะ, นะดแล้วก็ดีครูดิ ไอ้ที่ยยากเนี่ยทำเราสติดีนะอะไรก็ได้ที่เราเคลื่อนไหวกายแล้วก็มีสติรู้สึกเราเคลื่อนไหวกายส่วนหนึ่งแล้วก็สติสตนอนหรือนั่งพลิกมือเล่นดินั่งพลิกมือมือควา่างก็รู้มือหงาก็รู้เวลาเรานั่งรถนพ่อบ้านขับรถเราไม่ได้ขับรถเราก็มารู้สึกไง พ่อบ้านเขาบ่นอะไรแล้วก็รู้สึกแล้วรู้สึกตัวอย่างงี้แหละเนี ย, เนย น, นีบุญก็ได้โลกก็โลกก็ไม่ช้ำทำก็ไม่เสียใช่ไหมเราไปห้ามอย่าพูดมากพูดมาก เ, เ, เราเขาก็ไม่สบายใจเราแล้วได้ความโกรธ ด, ด้วยเราก็ไม่ได้ไปบาดทำโลกไม่ช้ําโลกไม่ช้ำทำไม่เสียกันพลิกมือแล้วก็รู้สึกเวลาเรานอนไม่หลับก็นอนพลิกมือเล่นพลิกมือเล่นแล้วก็หลับตาผ่อนคลายแล้วก็หลับ เวลาคนไข้ติดไปไหนไม่ได้ mm hmm. ก็สอนเคนี่ยลองถูนิมือสิรู้สึกตัวแต่ก mm ็ท hmm. ํ า, าทไม่ได้ก็ลองพลิกมือแล้วก็รู้สึกนี้เอาใจรู้ที่ตรงนี้ทันทีเขาจะไปคิดไปปรุงแต่งเมื่อไร่จะหายเเ mm hmm. มื่อไร่จะตาย <c oughs> <c oughs> เราก็รู้สึกไหม <c oughs> เนี่ยเจากหนักเป็นเบานะเนี่ยโรคภัยก็จะที่มหนักหนาก็เบาลงจากเบาเป็นหายเล ย, เยถ้ามันไม่รอดจริงก็มารู้สึกตรงนี้ปั๊บ ถ้าตายนะคระที่เริญสติเนี่ยโอดจิตใจเนี่ยไปสู่สุคติเลยดีกว่าตายไปด้วยความคิดฟุ้งซ่านเนีตายด้วยความเรื่องตัวเนี่ยในความเูื่องตัวอยู่ในความทุกข์นี่แหละมันทําให้เราเนี่ยตายก็ไปเกิดที่สุคติไม่ตายมันก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเเผลอได้รู้แจ้งในขณะขณะที่เราปฏิบัติในสภาพที่ร่างกายที่เป็นทุกข์ก็ได้ใช่ไหมอะไรก็ได้ที่มันเคลื่อนไหวและมีสติรู้ รู้เพื่ออะไรเพื่อจิตมันมาตั้งมั่นอยู่ที่เนื้อที่ตัวตอนนี้เวลามีอารมณ์คิดปรุงแต่งมาความโลภความปร่วนมาแล้วก็รู้ทันรู้ทันรู้ทันรู้ทันในอารมณ์เนี่ยอารมณ์มันก็จางกลายมาได้สติเอาชนะใจตนเองได้ด้วยมีคนจีนมาที่เมืองไทยเขามาฝึกจิตสติแบบนี้หละ่ะฝึกทั้งวันเลยเขาวันหนึ่งอยากจะไปเที่ยวจตุจักร ขอญาต์ไปไปสิไปได้แต่สติไปด้วยนะเนี่ยเวลาเกิดความอยากาก็กให้รู้ทันความอยากนะเวลาจิตมันอยากก็รู้ทันความอยากนะโอ้ไปทั้งวันเลยกลับมาไม่ได้เลวกลับมาเลยขณะดดูเนี่ยนั่นก็ชอบนี่ก็ชอบเกิดความอยากพอรู้ทันรู้ทันมันก็รู้ตัวไม่ทำตามความอยากกลับมาบ้านไม่ได้อะไรเลยบอกบอกไม่ได้เสื้อเลยทไมไม่เสื้อมันรู้ทันความอยากทั้งหมดเห็นไหม มีสติแล้วไม่เสียสตังค์นะถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็หมดสตังคนะ์เอาแล้วนะนี่นะ